เรื่องนี้เป็นอีกตอนหนึ่งในบันทึกของนายทองคําตอนได้เข้าทำงานในบ้านผู้มั่งคั่งที่มีกิจการค้าใหญ่ผู้หนึ่งนายทองคํามีหน้าที่กึ่งคนใช้และกึ่งเลขาเพราะว่าช่วยนายได้ในทางโต้ตอบหนังสือการค้าทั้งคอยปรณนิบัตินายอย่างคนใช้หรือลูกหลาน เสียงคนจับห่วงบานประตูโขกลงกับแป้นรองที่มีลวดลายงดงามด้วยทองเหลืองหนาซึ่งขณะนั้นผมนั่งหลับๆตื่นๆอยู่ที่เก้าอี้ห้องรับแขกพอได้ยินเสียงผมก็ผุดลุกขึ้นไปตรงที่บานประตูตึกที่งดงามสร้างอย่างวิจิตรในสมัยเก่าตามฐานะผู้มั่งคั่งจะสร้างให้เป็นปราสาทผมยังไม่เปิดบานประตูทันทีเพราะสงสัยว่าหูจะฝาดไปก็เป็นจริงอย่างว่าเสียงนั้นไม่มีอีก เงียบไปเฉยๆก็เป็นว่าหูแว่วไปเองเพราะว่าห่วงก็เงยหน้าดูนาฬิกาเรือนใหญ่ที่อยู่ตรงห้องโถงบอกเวลาห้าทุ่มครึ่งผมถอนหายใจเฮือกหนึ่งคืนนี้เป็นคืนที่น่ากลุ้มใจที่สุดตามธรรมดาผมต้องนอนคุดคูไปแล้วเท่าที่นั่งหลับๆับตื่นตแบบโยคีนั้นเป็นเพราะผู้หญิงแปลกหน้าคนหนึ่งมาหานายของผมเมื่อตอนหัวค่าเมื่อนายผมไม่อยู่ไปหัวเมืองยังไม่กลับก็แจ้งเรื่องให้เธอทราบ เธอตกใจลืมตาโพลงพร้อมกับอ้าปากค้างมือที่เธอหิ้วกระเป๋าเดินทางมาด้วยท่านไปไหนคะเธอถามอย่างสีหน้าร้อนรนและมีกิริยาเสียใจหมดหวังอะไรของเธอท่านไปฉะเชิงเซาครับท่านว่าจะกลับรถตอนเย็นก็น่าจะถึงแล้วละ่ะสัก6โมงเย็นนะครับแต่นี่อย่างไรถึงผิดเวลาไปขณะที่ผมพูดเธอมองหน้าผมคล้ายจะค้นหาว่าพูดความจริงหรือไม่จริงเชื่อผมเถอะครับคุณผมเรียนด้วยความจริงผมพูดต่อ เธอมองหน้าผมอย่างร้อนรนสีหน้าเหมือนจะร้องไห้ซะให้ได้เอาอย่างนี้เถอะครับคุณเข้าไปนั่งพักคอยข้างในให้สบายก่อนละกันขอบคุณค่ะเธอตอบเหมือนเสียงสะอื้นผมอึดอัดใจไม่รู้ว่าผู้หญิงคนนี้มีอะไรกับนายเราแค่ไหนและนัดกันอย่างไรแต่ทางที่ดีก็ต้องต้อนรับไปตามหน้าที่คนใช้ที่ดีผมตรงเข้าไปดึงกระเป๋าเดินของเธอพร้อมกับบอกเธอเชิงขอร้องแล้วก็บังคับ โปรดให้ผมถือกระเป๋าให้เดือครับแล้วคุณตามเข้ามาพักข้างในได้เลยครับผู้หญิงแปลกหน้าที่เป็นสาวสวยก็เดินตามผมเข้าไปในห้องรับแขกผมนึกเดาเหตุการณ์ของนายบางทีรถอาจจะมาถึงแล้วแต่ว่านายอาจจะเลยไปรับประทานอาหารที่ร้านไหนก็ได้แต่เอ๊ะก็ผู้หญิงคนนี้บอกว่านายนัดกับเธอไว้เป็นมั่นเป็นเหมาะยังไงกันแฮะนี่ก็ค่ามากละ ผมก็เลยใช้วิชาคนใช้ที่ดีชวนพูดชวนคุยกับเธอไปเรื่อยๆเธอก็แงนมมองดูตึกเก่าที่มีลวดลายช่อชั้นงดงามระหโหฐานมองรอบๆพอมองไปถึงภาพสีน้ำมันขนาดใหญ่ที่ข้างฝาก็ชะงักนิ่งผมเลยบอกให้ทราบว่า น, นั่นนี่คือภาพของคุณนายของนายห้างที่เสียชีวิตไปนานปีแล้วเธอหลบหน้าจากรูปนั้นลงมาทันทีแล้วก็ฟังผมคุยอะไรต่อมิอะไรไปอีกจนนาฬิกาตีบอกสี่ทุ่มผมสะดุ้ง เอ๊ะนี่ยังไงนายยังไม่กลับเกิดกระอักกระอ่วนใจผมจะต้องทำอย่างไรกับแขกผู้หญิงคนนี้จะให้มาแกล่วอยู่แบบนี้ก็กระไรได้จะต้องจัดห้องนอนให้เธอนอนพักแต่พอสังเกตดูหน้าเธอก็เห็นว่าอ่อนระหน์โอยแรงก็เลยเฉลียวใจถึงอาหารความจริงผมควรจะรอบครอบกว่านี้พอถามดูเรื่องอาหารก็เป็นความจริงเธอยังไม่ได้รับประทานอะไรเลย ผมก็เลยรีบจัดอาหารว่างเรียกแม่ครัวจัดโดยด่วนเมื่อเธอรับประทานเรียบร้อยแล้วผมก็เชิญให้เข้าห้องพักที่มีอยู่แล้วแล้วก็ปัดกวาดอยู่เสมอทุกเมื่อจะเข้าพักได้ทุกเวลาผมรีบจัดน้ําจัดท่าให้เรียบร้อยบอกที่สวิตไฟต่างๆในห้องให้เธอแล้วกลับออกมาเมื่อเธองับประตูแล้วผมก็ต้องนั่งเฝ้าอยู่ดังนี้แหละครับครั้นจะไปนอนสัทีก็ไม่แน่ใจว่าเธอจะมีปฏิกิริยาอะไรขึ้นบ้างเพราะว่าแปลกหน้ามา ผมไม่รู้จักเธอเลยเท่าที่ยอมให้พักก็เพราะว่าเธอบอกอยู่ตรงๆว่าเป็นตายยังไงก็ต้องคอยจนพบการนอนของเธอชั้นแรกไม่ยอมจะนอนคล้ายๆกับว่าเธอเนี่ยกลัวความใหญ่โตของตึกอันเป็นตึกเก่าแก่รับมรดกมาหลายช่วงหากแต่ว่ายังไม่สมบูรณ์ไม่หักพังและไม่เสื่อมสทรมมากไปตามวันแล้วก็เวลาโดยปรับปรุงตกแต่งอยู่ตลอดมา ความใหญ่โตทำให้มีอากาศเย็นคล้ายกับอยู่ในโบสถ์ห้องหับก็มีมากมายถ้าคนไม่เคยก็น่ากลัวแม้แต่ตัวของผมเองอยู่ตึกนี้มาเกือบสี่ปีก็ยังอดปอดไม่ได้เพระาะทราบอยู่แล้วว่าตึกนี้ตายกันมาหลายคนแล้วตั้งแต่ต้นตระกูลวิญญาณของต้นตระกูลก่อนๆ ก, ก็คงจะสิงอยู่ที่บ้านถึงได้เยือกเย็นสะกดใจผู้อยู่หลังๆนะักก็ว่าตึกนี้เราผู้ล่วงลับไปแล้วยังคงมีสิทธิ์เด็ดขาดคุ้มครองอยู่ ในเวลาค่ำคืนผมไม่เคยเดินทั่วตึกนี้สักทีก็ชักเกรงๆที่เธอนอนแล้วแต่ผมยังคงเป็นสมเฝ้าซั์จะนอนก็ไม่ได้ห่วงทั้งนายว่าจะกลับมาเมื่อไหร่แล้วก็ห่วงทั้งเธอผู้ที่มีรูปงามว่าจะแผลงฤทธิ์อะไรขึ้นใครจะไปรู้ผมใช้การนั่งนกเอนเอนพิงโซฟาหลับๆตื่นๆทันใดนั้นประตูก็ดังขึ้นผมรีบลุกเดินไปที่ประตูคราวนี้นายกลับมาแน่ๆ มาหยุดยืนให้แน่ใจเงี่ยหูฟังมือจับสลักกรอนทองเหลืองใหญ่ไว้พอมีเสียงดังเร่งอีกผมจึงแน่ใจก็เลยดึงสลักออกแล้วก็ดึงประตูอ้าออกบานมันหนาก็เลยค่อนข้างหนักเปิดออกยากพอเปิดออกปุ๊บไม่เห็นมีใครหน้าประตูมีไฟสว่างผมแปลกใจแล้วก็ยืนงงอยู่สักครู่เห็นท่าไม่ดีก็เลยปิดกลับซะตามเดิมหูผมก็แว่วไปอีกแล้วเปิดรับปีศาจอะไรกัน ผมเดินกลับมานั่งที่เก่าอย่างใจปลอ ด, ลอดหันมองดูห้องผู้หญิงคนนั้นก็เห็นปิดสนิทก็เลยหันเข้าไปหยิบบุหรี่ของนายที่กล่องการโต๊ะรับแขกจุดสูบบุหรี่ที่นายชอบสูบคือบุหรี่อียิปต์เซียนมีกลิ่นไม่ไม้คล้ายกับกํายานหอมลึกๆไปทางแขกผมหลบไปนั่งที่โซฟาอีกตัวที่อยู่มุมมืดเพื่อยึดเป็นที่สําหรับสังเกตการได้ทั่วๆไปลมพัดแรงเข้าทางช่องลมสูงดังวู้วูฟ้าร้องไกลๆดูท่าทางจนฝนจะตก บ้านนี้เป็นบ้านที่น่ากลัวในยามค่ำคืนประตูหน้าต่างชั้นบนหากไม่ปิดให้เรียบร้อยเวลาลมพัดมาจะเสียงดังปึงปังน่ากลัวผมพยายามนั่งฟื้นความทรงจำว่าหน้าต่างไหนที่ลืมปิดบ้างแต่ก็จำได้ว่าปิดแล้วทุกบานจึงค่อยคลายใจหน่อยที่จริงบ้านใหญ่โตเช่นนี้น่าจะมอบให้คนอีกสักสองหรือว่าสามคนจะดีมาก คนเดียวเนี่ยก็ค่อนข้างจะแย่หน่อยรวมคนในบ้านทั้งหมดรวมตัวผมด้วยเว้นนายคนเดียวที่ไม่มีหน้าที่เป็นคนใช้ 1. ก็คือคนรักษาสวนดอกไม้ 2. คนซักรีด3คนครัวแล้วก็สี่คือตัวผมซึ่งทำหน้าที่คนใช้ตลอดจนเป็นเลขานุ ก, การกลายเป็นเขาเหล่านั้นอยู่ในห้องแถวรอบตึกไม่มีใครมายุ่งยามในตึกเลยถ้าจะมีการปัดกวาดก็ใช้คนซักรีดแล้วก็คนดูแลสวนมาช่วย พ้นจากนี้และผมก็อยู่สองคนกับนายถ้านายไม่อยู่ผมก็อยู่ตัวคนเดียวนายท่านใจแกร่งจริงๆเพราะว่าอายุ40กว่าและใจจึงมั่นคงแต่ว่าผมสิยังเป็นไก่หนุม่มอดปอดไม่ได้เท่าที่อยู่ได้ก็เพราะว่าเคยชินเท่านั้นเองผมกําลังนั่งคิดอะไรอะไรอยู่นาฬิกาก็ตีขึ้นโดยไม่รู้ตัวเล่นเอาสะดุ้งว่าไปทั้งตัวเสียงมันรวนครงประสานเสียงกระหื่มคล้ายกับโบทฝรั่งบอกเวลาว่าสองยาม ก็เลยลุกไปหยิบบุหรี่มาดูดอีกพ่นควันลอยพุ่งขึ้นสู่ที่สูงกลิ่นบุหรี่อีหยิบมันมีกลิ่นกระเดียดไปทางเจ้าเจ้าในนายสูบไปก็เคลิมไปว่ากําลังอยู่ท้องพระโรงแห่งนครไคโรสมัยกษัตริย์ฟาโรตามที่เคยอ่านหนังสือเรื่องของสมัยฟาโรแห่งนครนูน่นและแล้วก็มานึกเทียบกับห้องโถงที่ผมนั่งอยู่ไม่ผิดกับท้องพระโรง ทำให้นึกถึงพูดผีปีศาจของสมัยฟาโรแล้วก็กลิ่นบุรีนี้คล้ายกับกลิ่นก ร, รมยานบูชาเทวรูปในที่สุดใจก็วังเวงฟ้าที่ร้องอยู่ห่างๆก็ได้ร้องใกล้เข้ามาฝนจะตกแน่เลยทีเดียวนายก็ยังไม่กลับมาโอ้ยกลุ้มใจจริงๆช่องลมปล่อยเสียงดังวู้วู้ตามแรงลมเหมือนอะไรคำรามก็นึกสงสารตัวเองที่ต้องนั่งแกลอยู่อากาศแบบนี้นอนสบายนัก แต่ว่าป่านนี้ไม่หญิงแปลกหน้าคนนี้คงนอนคลุมผ้าห่มสบายแล้วส่วนผมต้องมานั่งแกลวไปไม่มีกำหนดทุ่มยามกว่าจะรุ่งคาตาเวลาล่วงไปถึงเจ็ดทุ่มฝนซาเม็ดแล้วและอีกครู่ใหญ่ก็หยุดนิ่งมีแค่อากาศเย็นเยือกหนาวสะท้านผมงอเข่าขึ้นเก้าอี้ห่อตัวแก้หนาวจิตใจก็หวนคิดไปถึงเรื่องรักๆใคร่ๆบ้าง ชีวิตผมผ่านมาแล้วพลาดรักพลาดหวังทุกอย่างยากจนค้นแค้นได้อาศัยบารมีนายท่านผู้นี้ก็ค่อยมีความสุขหน่อยคิดไปคิดมาก็เลยงยีบหลับแต่ก็ต้องสะดุ้งตื่นอีกด้วยมีเสียงอะไรดังขึ้นก็มองกวาดไปรอบๆห้องไม่เห็นมีอะไรผิดสังเกตเสียงนั้นหายไปก็มีแต่เสียงฟ้าคำรามอยู่ไกลๆนอกจากนั้นก็เงียบยิ่งกว่าเงียบจนได้ยินเสียงหัวใจตัวเองเต้นออกมาภายนอกชัวเวลานั้นเองห่วงประตูก็ดังอีก ผมก็ต้องลุกไปที่ประตูอีกเป็นคํารบ3ามคราวนี้ห่วงนั้นดังถี่ผมก็เลยรีบเปิดประตูลมภายนอกเย็นวูบเข้ามาและข้างหน้าก็คือนายผมเดินถือกระเป๋าเดินทางเข้ามาผมร้องทักอย่างดีใจแต่ว่านายไม่ตอบเดินผ่านผมเข้ามาเมื่อผมปิดประตูแล้วจึงเดินตามท่านท่านคงมีอารมณ์ขุนมัวอะไรบางอย่างไม่เคยขรึมอย่างนี้เลยทาเอาผมไม่กล้าจะพูดอะไรมากนะักในขณะอารมณ์ของท่านไม่เป็นปกติ รถคงผิดเวลานะครับผมถามอืมผิดเวลาท่านตอบสั้นๆขรึมจนน่ากลัวเมื่อว่าข้ามมีหญิงมาหาท่านคนหนึ่งครับผมรายงานท่านท่านพยักหน้ารับทั้งๆ ท, ที่ไม่เหลียวมาดูผมแล้วไงกระผมบอกว่าท่านไม่อยู่ดูแกตกใจมากนะครับท่านทั้งที่มีท่าทางเสียใจที่ไม่พบแกบอกว่าแกไม่รู้จะไปข้างไหนเมื่อไม่พบท่านผมก็เลยจัดห้องให้นอนคอยพบท่านและผมก็นั่งเฝ้าอยู่จนบัดนี้แหละครับ ผมรายงานจบก็ไม่เห็นว่าท่านจะว่าอะไรก็ยังยืนขรึมอยู่อย่างเดิมเขาหน้าค่อยเปลี่ยนจากขรึมเป็นอ่อนโยนแต่ว่าเศร้าโศกทำเอาผมต้องใช้ความคิดอย่างหนักท่านถอนใจยาวแล้วก็เดินห่างออกไปไปหยุดยืนอยู่ที่ผนังแล้วก็เงยหน้าขึ้นดูภาพสีน้ํามันรูปภรรยาของท่านที่มีความสวยหวานจ้อยดวงตาโศกน้อยๆยิ้มน้อยๆดูดดื่มซาบซึ้งภาพนี้เป็นภาพที่ท่านต้องมองดูทุกวันยังสาวน่ารักแล้วก็น่าเอ็นดู แต่ว่าต้องมาเสียชีวิตตอนสาวๆด้วยการป่วยไข้เขาลือกันว่าเพราะท่านรักภรรยาของท่านมากท่านจึงไม่ยอมมีภรรยาอื่นอีกคนเก่าๆในบ้านหลังนี้เคยเล่าให้ผมฟังว่าเมื่อภรรยาท่านจูนจะขาดใจท่านได้สาบานต่อหน้าว่าท่านจะไม่มีภรรยาอีก ถ้าหากว่ามีใหม่แล้วไซส์ขอให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์จงประหัตประหารท่านซะตามคำสาบานแต่ว่าคราวนี้ท่านจะต้องทวนคำสาบานแน่นอนผู้หญิงที่มาคอยอยู่นี่สวยหยดย้อยนักแล้วก็ดูว่าจะมีเล่ในอะไรอยู่กับท่านและการมาของเธอสอ่อว่าไม่ได้มาจากหัวเมืองก็คงหนีใครมาเป็นแน่ก็เพราะว่าการะเป๋านั่นเองซึ่งเป็นพยานและถ้าเกิดการแต่งงานกันขึ้นคำสาบานจะเป็นอย่างไรท่านสุดกายหลงนั่งเก้าอี้ช้ า, ชา ก้มหน้าคอตกทางจด อ, อกเชิงจะใช้ความคิดอย่างลึกซึ้งมือทั้งสองจับเท้าแขนเก้าอี้แน่นผมพลอยหนักใจในกิริยานั้นเพราะไม่เคยเห็นมาก่อนท่านเป็นคนใจดียิ้มแย้มแจ่มใสเสมอแล้วก็มีความเที่ยงธรรมเป็นประจำเมตตากรุณาทั่วๆไปผมเกิดไม่สบายใจเมื่อมาพบกิริยาเช่นนี้ท่านจะต้องการวิสกี้สเปกไหมครับ ท่านรีบโบกมือห้ามคาเสนอของผมแล้วสั่งให้เอากระดาษแล้วก็ปากกามาจดข้อความตามที่ท่านสั่งให้เขียนผมเข้าห้องทํางานหยิบกระดาษแล้วก็ปากกามานั่งคอยคำสั่งท่านนั่งก้มหน้าอยู่ตามเดิมอ่ะเขียนตามที่บอกท่านสั่งเบาๆผมจับปากกาเตรียมไว้ท่านนิ่งอยู่เป็นครู่คล้ายจะรวบรวมข้อความที่สั่งให้เขียนอ่าเขียนได้ท่านบอกว่ายุพินสุทธิรัก โลกนี้ไม่มีความแน่นอนอะไรเลยยุพินกับฉันรักกันอย่างจริงใจหากขัดด้วยอุปสรรคบางอย่างที่ขวางเราแต่กระนั้นเราก็พยายามรักกันจนได้ฉันขอบอกว่าฉันรักยุพินสุดหัวใจหมดทางจะพูดออกมาเป็นคำพูดได้ยุพินฉันรักยุพินจริงๆที่ดูกันมาในระยะหลายปียุพินไม่เคยรังเกียดที่ฉันเป็นคนแก่ท่านหยุดพูดไปชั่วขณะ เพื่อขัดเกลว์ทอยคาต่อไปให้กลมกลืนผมหายใจเข้าออกอย่างบอกไม่ถูกพร้อมกับเขียนตามคำที่ท่านพูดมาอ้าวต่อไปท่านสั่งยุพินทั้งฉันและยุพินเราต่างก็มีกรรมทั้งคู่ฉันเองไม่เคยคิดว่าจะพบรักในชีวิตอีกเพราะฉันก็อายุขนาดนี้แล้วแต่ยุพินรักฉันในที่สุดกรรมของฉันก็แผ่มาถึงยุพินวิมานของเราทลายลงแล้ว ฉันตายแล้วตายตั้งแต่บ่ายวันนี้ตายโดยกระทันหันตอนนี้ผมสะดุ้งทั้งตัวเงยหน้ามองท่านที่ท่านของผมที่เคยเป็นคนมีความเมตตาการุณาแล้วก็จะออกอุบายในจดหมายนี้เพื่อบอกปัดผู้หญิงคนนั้นให้ไปพ้นตัวท่านกระ น, นั้นหรือไม่น่าจะเป็นอย่างนั้นอย่าลังเลสิท่านดุเขียนตามที่ฉันบอกบ้านนั้นฉันซื้อและตกแต่งจดทะเบียนเป็นของยุพินแล้วเรียบร้อย และเงินที่ฝากแบงก์ไว้ในนามของยุพินแล้วนั้นตัวเช็คอยู่กับนายทองคําแล้วเขาจะมอบให้ยุพินเองเงินก้อนนี้ยุพินจะเลี้ยงตัวเองได้ไปนานจนกว่ายุพินจะมีสามีใหม่หรือยังไม่มีก็ยังบำรุงยุพินไปได้อีกนานผมถอนหายใจเฮือกใหญ่คิดอะไรไม่ถูกเป็นลูกจ้างก็ต้องเขียนไปตามคําสั่งทั้งไม่รู้ต้นสายปลายเหตุและอึด อ, อัดใจเหมือนเล่นละครเหมือนความฝัน จะว่าท่านปัดผู้หญิงคนนี้ไปอย่างไม่ต้องการแต่ที่ไหนได้ท่านก็ทำอย่างมนุษย์ที่ใจเป็นธรรมอยู่เหมือนเดิมแกสงสัยเหรอท่านถามผมเบาๆครับผมแปลไม่ออกครับฉันตายแล้วจริงๆผมชะงนใจจ้องดูท่านตั้งแต่หัวตลอดเท้าร่างกายในชุดแบบสากลนิ่งดังรูปปั้นท่านล้อผมเล่นอย่างนี้ทำไมล่ะครับผมถามท่านแต่ท่านไม่ตอบ เสียงฟ้าคำรามดังไกลไๆคล้ายฝนจะตกอีกผมยุ่งยากหัวใจเฮ้วันนี้มีแต่เรื่องกลุ้มทองคำฉันพูดตะกี้ฉันไม่ได้ล้อแกเล่นนะฉันพูดจริงๆและมันก็เป็นความจริงนุน่นแกมองดูนุ่นสิท่านยกมือชี้ไปข้างผนังตึกผมเลี้ยวไปตามที่ท่านชี้ตรงนั้นเป็นพื้นกำแพงว่างเปล่าท่อนแขนของท่านยังคงชูอยู่ดังนั้นผมก็มองนิ่งอยู่คล้ายคนบ้า ท่านใดนั่นเองพื้นผนังเปล่านั้นก็บังเกิดมีภาพขึ้นมาคล้ายกับจอภาพยนตร์ภาพนั้นเป็นภาพของท่านเองผมมีความรู้สึกเหมือนครึ่งหลับครึ่งตื่นแล้วก็ฝันไปเห็นท่านกําลังยืนต่อราคาสามล้อที่นั่นเป็นถนนในเมืองอะไรก็เดาไม่ถูกเพราะไม่เคยไปท่านได้ขึ้นไปนั่งสามล้อภาพนั้นติดต่อไปดังภาพยนตร์รถ3ล้อของท่านวิ่งไปเรื่อยๆและข้างหน้าก็มีรถเมส์สวนมา สามล้อเลยหักหลบรถเมย์แต่บังเอิญมีเด็กวิ่งออกมาข้างนั้นสามล้อก็เลยหักกลับอีกทีก็เลยเสยเข้ากับรถเมย์ผมสะดุ้งทั้งตัวนายที่ถูกรถทับหน้าตาแหลกเหลวทนไม่ไหวแล้วนี่มันอะไรกันผมทะลึงลุกขึ้นยืนภาพที่กำแพงหายไปทันทีผมตัวแข็งคล้ายจะกระดิกไม่ไหวค่อยๆหันดูนายยังคงนั่งชูมือชี้ไปภาพที่ผนังโดยยังไม่ได้ลดมือลงบัตรนั้น หูของผมแววคล้ายเสียงผู้หญิงหัวเราะเย้ยหยันผู้หญิงแปลกหน้าที่ชื่อยุพินหัวเราะเยาะนายผมหรือที่คิดจะผละทิ้งเธอแต่เธอก็ต้องแอบฟังเรื่องอยู่และเห็นเหตุการณ์หมดแล้วผมรีบหันไปมองหาเสียงแต่เปล่าเลยไม่มีใครที่นั่นและประตูห้องยุพินก็ปิดสนิทแล้วใครหัวเราะผมหันกลับมาดูนายคุณพระช่วยนายหายไปซะแล้ว ผมตะโกนขึ้นด้วยความกลัวสุดขีดโดดข้ามเก้าอี้วิ่งไปเปิดประตูกระชากอย่างแรงพอประตูเปิดจึงรู้ว่าเป็นเวลารุ่งเช้าแล้วพระอาทิตย์กำลังจะพ้นขอบฟ้าผมวิ่งแบบไม่กลัวล้มตรงเข้าปลุกคนสวนแล้วตะโกนปลุกต่อๆไปทางบ้านแล้วก็ชวนกันเข้าตึกอีกปลุกผู้หญิงที่ชื่อยุพินพอเธอรู้เรื่องหน้าเธอซีดไม่มีสีเลือดเลยแต่มีเขาว่ามีเชื่อที่ผมพูดกระดาษที่ผมเขียนข้อความตามที่นายสั่งให้เขียน ทุกคนได้อ่านดูตามนั้นแต่ก็เกิดวิพากษ์วิจารณ์กันเอ็ดอึงรวมรวมความว่าคล้ายๆผมจะเป็นผู้ก่อเรื่องขึ้นเองให้เป็นไปดังนั้นผมมองหน้าทุกคนด้วยความน้อยใจะละโกรธออกท่าออกทางเล่าเหตุการณ์เมื่อคืนกลางดึกให้ทุกคนฟังแต่ทุกคนดูจะไม่สนใจฟังผมยิ่งยุผินด้วยแล้วมองตาผมด้วยดวงตาดุดุแสดงความเครียดแค้นชิงชังเราทุ่มเถียงกันเป็นเวลานานบางคนยื่นหน้าเข้ามาหาผมถามอย่างตะคอก บอกฉันหน่อยทำไมทำแบบนี้เล่นพี่เรนอะไรกันเนี่ยผมอยากจะคลั่งตายพอดีหนังสือพิมพ์มาส่งตอนเช้าผมไหวดีโดดเข้าหยิบดูข่าวก่อนคนอื่นทันใดนั้นผมก็ต้องร้องขึ้นด้วยความเสียใจตกใจข่าวนั้นพาดหัวตัวโป้งถึงการสิ้นชีวิตของนายโดนรถชนกันและเหตุการณ์รายละเอียดก็เป็นไปดังที่ผมรู้อยู่แล้วพอทุกคนรู้เรื่องว่ามันเป็นเรื่องจริงต่างก็ร้องไห้โฮกันทั้งบ้าน ผมเองก็กลั้นไม่ไหวผู้มีคุณล้นฟ้าของผมจากผมไปและอุตส่าห์มาหาผมถึงบ้านทั้งยังห่วงยุพินจึงมาเขียนสั่งความไว้เราร้องไห้กันทุกคนเพราะตกใจพอเบาบางหันไปดูยุพินเห็นเธอฟุบอยู่กลางห้องเราจึงช่วยกันแก้ไขเมื่อเธอฟื้นแล้วผมจึงหาเรือกับพวกลูกจ้างทั้งหมดว่าควรจะทำตามที่วิญญาณนายมาสั่งไว้หรือไม่ทุกคนเห็นพร้อมด้วยผมจึงไขเซฟเอาสมุดเช็คมอบให้แก่ยุพินตามที่ท่านสั่ง ต่อจากนั้นผมได้ส่งข่าวให้กับวงญาติของนายทั้งหมดและเชิญเขาเข้าครอบครองตึกผมเองก็สุดจะทนอยู่ที่เคยอยู่เคยกินและก็เคยนอนแต่เดิมได้หมดผู้ที่ชุบเลี้ยงที่เมตตาการุณอันสูงแล้วก็ขอก้มหน้าเร่ร่อนไปอีกผมจะอยู่ต่อไปก็ไม่ทราบว่าจะทําอะไรให้แก่ผู้ที่เข้ามารับมรดกได้นั่นก็สุดแล้วแต่ทนายความประจําตระกูลนี้จะจัดทํากันไปตามระเบียบ